สองจิตเรานั่งกําหนดจิตบริกรรมภาวนาหรือพิจารณาอะไรอยู่เรียกว่าทำสมาธิในท่านัง่งเมื่อเราทําสมาธิในท่านั่งแบบไหนเดินโยนกลมจงจงก็เอาอารมณ์แบบเดียวกันเนกณฑ์กำหนดจิตก็เอาอารมณ์แบบเดียวกัน นอนเสียหาสยากก็ใช้อารมณ์แบบเดียวกันไม่ต่อเปียน <c oughs> การแนะนำวิธีการทำสมาธิเราก็ฝูกกันมามากเด็กเตียงขอเตือนว่าขอให้ทุกท่านทรงมีสัจจะความจริงใจแล้วก็สิ่งใดให้ได้สิ่งนั้นแล้วมีความเพื่อตรงต่อตัวเอง ในขณะที่เราตั้งใจทำตั้งใจปฏิบัติจูให้ทำได้ความจริงใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าคุณเจ้าทั้งหลายการปฏิบัติเป็นหน้าที่ของเราโดยตรงอยาโชมทั้งหลายมีศรัทธานำปัจจัยสื่มาบูชาคุณของเราก็เห็นเราเป็นผู้ปฏิบัติลุยปฏิบัติตรง โอยสิ่งนั้นอให้พุก่ันต้งต้งสร้างใจปิกอบลิขิตให้มันตระตุต่อธรรมมโนที่หนสร้างใจทำจริงเพียงยางเดียวใครจะตามว่าทำะมาีิแบบไหนจึงจะรู้ทำเห็นทำและจิตสงบใจง่ายคาตอบก็คือว่าทำบ่อยๆทำมากๆทำติดต่อกัน เอาเวลาทำสมาธิมากๆถ้าเราทำสมาธิเพียงแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงแต่เวลาคุยกันเล่น 4, สี่ห้าชั่วโมงมันก็ไม่คุ้ง่งเราจะนั้นทุกลมหายใจเราจะต้องกำหนดสิต ท, ทำติด ท, ที่เจรนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาพยายามอย่าส่งจิตออกไป ข, ข้างนอก ทางนอกมันมีทุกสิ่งทุกอย่างทั้งที่ชอบใจและไม่ชอบใจเมื่อเรามองเข้ามาดูข้างในเราก็จะเห็นสิ่งที่ชอบใจและไม่ชอบใจในตัวของเราเราตั้งอยู่กำหนดจิตตูวกายของเราอยู่เราจะรู้เราจะเห็นสุขเวทนาทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในจิตเมื่อจิตของเราไปเกิดปฏิสัญญามาค้นมาคิด เน้นถึงเรื่องโนเรื่องนี้เราก็รู้ว่าสัญญาในอดีตมาลบลวนเราเมือ่อจิตของเราไม่อยู่กับปุริกรรมภาวนาหรืออารมณ์ที่กําหนดพิจารณาอยู่เราก็จะรู้ว่าจิตของเราไม่เอาไหนเมืเอ่อเราเอาใจใส่ตัวเองมองเข้ามาข้างในใจตัวเองเราจะรู้เราจะเห็นความจริงของเราเอง ทุกท่านพอจงตั้งตัวเป็นอัตตสัมมาปณิธิคือการตั้งตนไรชอบแต่เราเป็นพระเป็นสงสงกระแสจิตออกไปข้างเราก็เป็นการตั้งตนไว้ไม่ชอบผู้ที่ตั้งตนไว้ทชอบจะต้องกําหนดโลภจิตของตนเองอยู่ทุกขณะเมื่อเราเอาจิตเอาใจมาเอาใจใส่จิตใจตัวเองภายในกายของตัวเอง มันจะทำให้สังสารวัตของเราสั้นเขา้าแต่ถ้าเรามองออกไป้างนอกในรล้สิ่งภายนอกสังสารวัตรของเรามันจะยืดยาวไปเพราะสิ่งภายนอกอารมณ์ภายนอกมันทำให้เราติดในพอเราติดความติด น, นี่เป็นกิเลสเป็นอุปาทาน ภพทั้งหลายอาตุตีโตขาแม่ความเกิดเป็นภพพลาติทโกขาแม่ความแก่เป็นภพเมรณะติีุกขังแม่ความตายเป็นภพวสวาโดยย่ออุปาทานลขันธ์เกิดความเยื่อั้นในรูปเวทนาสัญญาสังขารสิญญาเป็นภพอย่างยิ่งทาล า, าเวปันจขันธาขันธ์ทั้งห้าเป็นธาละอันนับเน หาลีาเสปะนางสุกขังใครจะมาปล่อยวางเป็นฌันคือขันธ์เป็นทุขเป็นความสุขอย่างยิ่งดังนั้นการปฏิบัติธรรมนี้สําคัญอยู่ที่การตัณฑ์ให้มีสิ่งรู้การปฏิติให้มีสิ่งระรลึกเรามีวิธีการที่จะพึงปฏิบัติในท่านำโด้วยปริกรรมภาวนาเมื่อปริตรรมภาวนาพุทโทไป บางทีจิตของเราเป็นเรื่องอางอืน่นแต่มันคุมไม่อยู่ปล่อยให้มันคิดไปทําปฏิตามรู้ความคิดนั้นๆไปนใอย่างที่เคยให้คาแนะนำการภาวนาพูโ้โธกทําติตให้มีสิ่งรู้ทำปฏิให้มีสิ่งระลึกการทําปฏิกําหนดตามความคิดที่มันคิดกลงขึ้นมาเองก็เป็นการทําปฏิให้มีสิ่งรู้ทํำจิตให้มีสิ่งรู้ทําปฏิให้มีสิ่งระลึก โดยธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระดึกเราตั้งใจจดต่อดูที่จิตของเราเราจะได้พลังงานทางจิติวัมปัญญะในที่สุดจิตของเราจะมีความมั่นคงสหบเน้าแน่ลงเป็นสมาธิสามารถจิรจำตัวให้เป็นปกติอยู่ในถํากลางแห่งอารมณ์ทั้งหลาย เมื่อจิตของเรามีความเป็นปกติอยู่ในถ้ำกลางแห่งอารมณ์ทั้งหลายอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมาจิตตัแต่ว่ารู้รู้แล้วก็ปล่อยวางไปนั่นคือตัวปกติของจิตเมืม่อจิตไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้ายกลายเป็นจิตปกติปกติตัวนี้คือตัวศีเศษเกิดขึ้นในจิตของเรา ในเ ม, มื่อจิตมีความเป็นปกติสต่ถิมีความจดต่อรู้ดูที่ทจิตอะไรเกิดขึ้นกันดับไปรู้ตลอดกาลแล้วเรามีความตั้งใจมั่นจดจ่อรู้ดูเราก็มีสัจจะความจริงใจเ ม, มื่อมีสัจจะความจริงใจใกล้ที่จะดูกิเลสและอารมณ์ภายในจิตอยู่ตลอดเวลาเป็นการเงี่ยหูฟังตั้งใจดูดูด อารมณ์นในกิเลสซึ่งเกิดขึ้นในจิตของเรากลายเป็นสุตะเมื่อจิตของเรามีโุตะสะดับรับฟังอยู่ในตัวของเราเองกดดันอยู่ในตัวของเราเองแต่สิตัมปัญญาเขิ้นมีปัญญารู้รอบโลว้ว่าอะไรจิตอะไรถูกอะไรดีอะไรตัวแต่รู้แจง้งเห็นจริงขึ้นมาแล้ว ตของเราสามารถที่จะเกิดปหากับพธรรมขึ้นมาคือการละแต่ล่อยวางมาเกิดในการละแต่ลอยวางจิตให้จิตอยู่ในสิ่งใด น, นั่นคือวิมุตติความหลุดพ้นจากกิเลสและอารมณ์ความ่าวิมุตติความหลุดพ้นในจักรวิจิตุจิตจิตไม่ห น, น, นึ่งหนึ่งยังไม่รู้ไม่คิดอะไร จิตยังมีความคิดความอ่านตาหูสมอกคลิ่อนใจใจยังส้อผตัดรู้อารมณ์อยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อจิตมีพลังงานเข็มแข็งโดยจิตคอยระแวดระวังดูความยินดียินไร้าไม่เกิดขึ้นเมื่อความยินดียินร้าไม่เกิดขึ้นจิตก็พ้นจากกิเลสเมื่อจิตพ้นจากกิเลสสบายไหมไม่หุนหวีหุนวายใดใดทั้งสิ้นแต่ความเป็นปกติจิตอยู่ตลอดเวลา ถึงแมว่าความวุ่นวายอาจจะมีขึ้นมาบ้างแต่สัมปัสสัญญาจะรู้เท่าทันเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลาแต่นั้นจงเพ่งเล็งเข้ามาที่จิตของเราดูที่จิตของเราอย่างเดียวเท่านั้นฝึกฝนอบรมจิตให้มีสมถภาพดีมีความมั่นคงมีศีนมีตาตามีสุตตมีจาระมีปัญญา เมเื่อุณธานรำแล้วที่กล่าวร้อมอยู่ในจิตสีละคือความปกติของจิตจิตที่เป็นปกติย่อมมีความตัดจริงเมื่อมีความตัดจริงก็ย่อมมีการเอาใจใสด่ดูดูสิ่งที่เกิดจากสุกสัิตในเมอเป็นเช่นนั้นสีเลนะสุขสิยันติ ในเมตใจเป็นปกติเป็นสิทธิทางดําเนินของจิตก็เป็นไปไม่ว่าสมาธิเกิดขึ้นก็เป็นสัมมาสมาธิปัญญาเกิดขึ้นก็เป็นสัมมาทิฏฐินี่คือทิฏฐิที่จะเกิดเป็นไปในเมื่อเราปฏิบัติเข้าไปส่วนละเอียดของจิทแล้วเพราะฉะนั้นอย่าไประแวงสงสัยธรรมะในนี้ยังไม่เสื่อมสูญสําหรับผู้ที่เอาจริงเอาจำเมตเปพน่ะนั้น ถ้าเรามีความเอาจริงเอาจังฝึกฝนอบรมสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาสติสัมโพธังโคสติเป็นองค์แห่งการตัดโลย่อมเกิดขึ้นในเมื่อมีสติส่วนต่นอรู้ดู่ที่จิตธรร ม, มาริทยะดูถึงที่เกิดขึ้นภายในจิตเกิดดับอย่ภายในจิตเมื่อเป็นเช่นนั้นสมาธิความเกิดขึ้นเมื่อสมาธิความมั่นคงขอ ง, ของจิตไม่หวั่นไหว อุเบขาสามโพรดรงก็ตามบางเกิดขึ้นคี่อคุณธรรมจะบางเกิดขึ้นอย่างนี้เราจะดันต่อนี้ไปทรงตั้งใจทำความสงมบคําหสงบจิตบริกรรมภาวนาลร่เต่งจิลื่จรณายูที่จิตของเราเท่านั้นเอาจิตมาไว้ในจิต ด, ดูอยู่ภายในจิตของเรากระแสแห่งสังสารวัติมันจะสั้นเข่า้าสงออกไปข้างนอก โลกเขเป็นอย่างนั้นโลกก็เป็นอย่างนี้ไฟไหม้าอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่รู้ความผิดแล้วความดีความชั 40, ่วมันเกิดซี่ติสุขสนกั 40, กรุสุขเกิดซีจิตสุนบาเกิดซีติสเราอบอรมจิตให้มีตัวปกติคือสีเมือมีสีเป็นปกติแล้ว 40. ติสของเราก็มีความสุขสบายมั่นคงใจใสเรามีศีลเป็นปุเรยาา์าถะมีศีบริสุทธ คนธรรมอื่นๆมันก็เป็นผลปล่อยได้บางเกิดขึ้นมาเองเมื่อศีลของเรายังไม่บริสุทธิ์คนธรรมมันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะว่าการปรับเพื้นฐานที่รองรับคุณธรรมนั่นมันยังไม่คล้เมืเราทํารศีลของเราให้บริสุทธิ์กายวาจาของเราบริสุทธิ์จิตของเราเป็นปกติไม่โดดเด้อเพราะเราไม่ทําความผิดแล้วจิตของเราก็เป็นปกติเราจะสามารถตู้ทำเห็นทำได้ ด้วยอำนาจแห่งสีนันบริสุทธิน์นั้นเราจะนั่งสีเลนะโปรตีนยันตีผู้จะถึงโปรตีกเพรารตีสีเลนะโปก็สัมปทาผู้สีต้อด้วยโปรกทรัพย์ก็คือก็เพราะศีนโปรกทรัพย์หมายถึงคุ ณ, ณธรรมที่มีอยู่ภายในอริยทรัพย์อย่างไรสีเลนะได้โปรตีนยันตีจะถึงพระได้พานถึงความดับกิเลสทั้งหลายก่พราะศีน จตสมาสีดำวิโสทายเดดังนั้นเึงสมสรลักสำลักศียของตนเองให้บริสุทธิ์ด้วยประการละนีหต่อนี้ไปเรี่ยสมาสีที่จะสงบหรือไม่สงบก็ตามเมื่อเราตั้งใจกำหนด ทำะฏิดูที่จิตของเราการดูจิตเป็นการแท่งการแท่งคือทารเดี๋ยวฝึกขัดแท่งในเมื่อแทงที่จิตมารู้อยู่ที่จิตอาการรู้เรียกว่จจาน์เป็นเป็นการรู้ เป็นยาต่นีอนนเป็นคานที่เราแต่งเอา่อจิตสงบลงไปเป็นสมาธิมีเด็กมีคานตุกรู้อยู่ในสิ่งเดียวนนั้นเป็นคานที่เกิดจากสมาธิการภาวนาอย่าอยากเห็นโน่นเห็นนี่ ให้เห็นหัวใจของตัวเองเวลาที่เราคิดอะไรอยู่เราู้อะไรอยู่เราใจปัจจุบันนี้ให้มากมัดถ้าพวดาแล้วเิดตรงออกไป้องหลอกเึ็นเจาวดาแต่งสวยนามากแต่งตัวสวยๆนี่ก็อยากไปเจอเจ้าวดาในสดที่ ไปเห็นพระเอ็นองเขียวเขียวอยากเห็นระเอ a นก็เป็นกิเลสไปเห็นนิบัติของเทวดาสูงสิทธิ์ทนหลายร้อยท่านพัน่านอยากได้นิบัติก็เป็นกิเลสราชนั่นดูจิตใจของเรารู้เห็นจิตใจของเรา เเรากำหนดทำจะสีลรู้ ล, ลงจจิตของเราอย่างเดียวเมื่อจิตยังรูรง้อยู่ที่กายมีอะไรเกิดขึ้นที่กายจิตรู้หมดกำหนดลงเดี๋ยวนี้ก็รู้เดี๋ยวนี้รู้กับกายกำลังนั่งอยู่นางไปนานๆมันปวดแสงปวดตาเห็นเว ท, าทานาแล้วแม่ นล่งไปนั่งมาตายเ้าติตเ้ากายสงบจิตสงบสุขคเวทนาลานเห็นสุขคเวทนาเมื่อทำเราโกรธรามจิตของตัวเองก็เห็นตจ็แล้วติ่ท้องนในความง่วงงุน ความง่วงเหงาหานอนมันเกิดขึ้นเห็นทมแล้วเห็นนิรณ์เกิดวามฟุ้งร่างลำพันก็เห็นนิรณ์นิรรห้าตามาฉันทะใจมันใสหาความสุขความสบายมัน ไ, ไปเต็มความสบายแล้วมันไม่อยากทำ ง, งาน อยู่สบายๆนั่นการมาจันทะหิือถ้าบังครับถ้้มันคอยทำงานมันก็เกิดความต้มสั่นลำคาญลองผลตยวจท้ายมันไม่ทำมันตัดมันหยุดทำการหยุดทำนั่นพยาพาทะคือยความพยาบาทการตัดกอด เกิดความงุ่ยงงานเดี๋ยวก็ง่วงนอนง่วงนอนแล้วก็เกิดความลังเลสงสัยสงสัยว่าอย่างไรสงสัยว่าจะนั่งสมาธิหรือจะนอนดีนาะเความลังเลสงสัยสงสัยในตัวเองก็ขาดความแน้ใาดความขาดสตความจริงใจ กมความจริงใจไม่มีแท้กิเลสมันก็เลิกภาวนานอนดีกว่าคือตัวอุจจาระปุจจารความรังเลยตังอ่ะตัวที่คิดถามันเปิดขึ้ขนกามมาฉันทะความใสในความสุขมากขึ้นปยญาปาทะความคิดสิ่ไยากทำ ไม่อยากปฏิบัติแต่ความไม่อยากมันก็เกิดความผู้งสั่นลำคานไปพอเสร็จแล้วเกิดความม่วงนอนขึ้นมาสงสัยขึ้นมาเราวบบเอาดีหรือไม่ดีควรพยาย า, ามปราถนาตัดกลอนตัดตนนอนดีกว่าวเห็นโควกิเลสเ้าไหมให้ตัวอะไรไกลนักหาจากคนเวทเวดาเชวาตาให้หวยให้เปรด้วยหรือ เห็นแล้วหรือเขียนเบอร์ตัวบัลลอห์มให้ซื t, ữ, ào, ้ผูผมก็อยากจะเห็นหน่อยเขียนติดเนใจของเราหนิเ i ียนตกเขียนตกคือในใจของเราหนิไปหาตัวอะไรเรื่องของคนอื่นไปเห็นเทวดาประิตสมบัติเทวดาฝ่าันจะอยากเป็นเทวดาตั้งสารวัตรกันประยุาวต่อไปอีกเทวดานี้อายุเดนดั่ง ลอยตีเมืองมาลุกในเท่ากับวันหนึ่งของเทวดาอุ้ยมันทุกเท่าไหร่อายุเด่นอยากเป็นชอบพรมพรมกว่าเรื่องอายุเด่นจะเรื่งกว่านั้นถ้าใครเกิดเป็นมดเป็นแมงดีที่สุดอายุมันสั้นเกิดวันตายหาพรอท่านว่า ขาตัดตัวหนึ่งก็เกิดเป็นขัตห้าร้อยาตินึ่เกิดเป็นขาดตัวเน้นน้อยอายุสั้นๆมันจะเด่นพ้นกรามพ้นเยนได้เลยใครอายุเจนเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องสวยทุกสวยความยากลำบากเม <c oughs> ื่อเรามีตัวมีกายอยู่มันพุกแล้วพุกมันเกิดที่ได้ ก็คือจิตมันออกจากกายแล้วไปนลอยอยู่บนเมฆบนฟ้ามันไม่มีตัวไม่มีตนความคิดความอ่านมันก็ไม่มีมีแต่ความนิ่งใจ ส, สว่างสบายบางทีมันแต่รได้สมัยเมืองใต้มันคุมโล ก, กไปหมดเห็นในต่อทำคุมโลกไปหมดตอนนี้ระวังให้ดีเศรษฐิตมันไปคุมโลกไปหมดแล้ว มันไปหลงผิดแต่ลองเห็นความส ว, ว่างถวัยเป็นเตโชขึ้นมาไปกําหนดเตโชเสิมความตะว่างสวัยรวมตัวตั้กองไฟกองไป ม, มันลุกไหม้โลกอยู่มันลกไหม้โลกอยู่ไหม้ไปไหม้มาเดี๋ยวโลกมันจะโลกออตุ้มหลงก่อสุบุญชิ น, น ว, วังเสวะเส่งเสิมเส่งไปเส่งมาเอาว ลองเห็นโลกลอยเด่นลูกเป็นไปพอลูกเป็นไฟขข้นมากะพักในโลกัโลกแตกระเบิดตูมขึ้นมาสติอ่อนตกใจเข้าใจว่าโลกแตกจริงๆงก็อดลองจาวกุฏิเร่งไปเรียกคนนอคนนี้พอเข้าฐานรั้เอ้ายังไม่ตายเหรอทำไมจะตายมาได้ยินเลยโลกแตก เียอาจารย์พรศิ์ไทยขอท่านอาจารย์อาจารย์เอ้าเขาเรียกทำไมล่ะสังคำจังคืนเออยังไม่ตายเลยจะตายยังไงไม่ได้กินเลยโลกแปดนี่ยอยจะนันใจจะไปริแข่งกระินแท่งจิตแข่งใจโป้เองมาหาสมเพื่อนของหลวงพ่อนี่ยใอาจารย์บุญ น, นี่ก่อนที่แรก มันจะหัดแข่งปรเสรเินเลยึ่งเข่งกเสกรเิฐเดี๋ยวเป็นบาดใจด้ยไม่ยอมเชื่อทีนี้มหาสมเป้นกระเรียนสามประโยคเอาไปแข่งก็ะเสริที่แรกแข่งเตียนดวงเลยกันเข่งพบก่อนทีนี้เราต้องจนเอาเตียนออกจะเสียนแล้จากเาาาาตียงเ้าปรยคออกจาเียงเ้าปรยคแท่มันรวมอาทิตเลย พอตะเหินข้ามันนาง่งเหินดวงอาทิตย์เสร็จเสร็จแล้วเสร็จมันได้อุกปกาหาเอ็กเล็กแ้วก็รู้ตัวว่าพระอาทิตย์อยู่ในสายตาหลับตาก็เห็นเริงตาก็เห็นแล้วก็เข้าไปติดดวงตะเหินพอพระอาทิตย์โตขึ้นดันพอไปหาดวงอาทิตย์เดันอยู่งั้น น, งงน่ะพอพระอาทิตย์ขึ้นมาตรงสีสางแหวนหน้าดวงพอปลาอาทิตย์ค่อยลงไปเอ้าสิ่งตามพระอาทิตย์กัน เก่งกลับไปกลับมากลับไปโดืเข่าหน้าไม่คิดลงผนสุดท้ายเจ็ดวันไายเพราะฉะนั้นอย่าอยากมีเล็ดหลายอาจารย์สิงห์ท่านก็มีลิตดอาจารย์สิงห์มีเิ็อย่ังไงท่านสร้างศาลาไว้ให้เรานั่งภาวนาเลิดอะไรบุนยาลิด อาจารย์ติ๋งไม่มีฤทธิ์ใครจะมาสร้างสลาให้ท่าอนอาจารย์ติงมีฤทธิ์สร้างโบสถอาจารย์ติ๋งไม่มีฤทธิ์ใครจะมาสร้างโบสถ์ให้หลวงพ่กอกูกคนเข้าถามหลวงพ่อภาวนามานานแล้วแสดงฤทธิ์ได้ไหมได้แสดงให้ดูได้ไหมได้เอ้าลองแสดงสิก็แสดงแล้ว嘛 เอาเหมือนกันแตดว่าปลาทำไมโกหกใจท่านไม่ได้โกหกจะมากล่าวตู่ท่านน่าจะแก่ตกตาโลกใจปฏิหลังกเลสิท่านดูเลยราคามันรักกว่าคือคนเข้ามาสร้างให้ท่านมีบุญาคาถึงมาสร้างให้นี่คือบุญยาฤทธ์เลสตามความเข้าใจของคุณไม่ถุยหรืออะไรคุณได้ะะนะไปกันยาไป อย่าไปแสวงหาจังแต่ทิ์ไหนเอาฤิ์ในจิตในใจอิทธิฤทธิ์ในจิตเนี่ยต่างตัวปกติให้มันเกิดขึ้นในจิตในบอกตัวปกติเกิดขึ้นในจิตเนี่ ย, ม, นน ม, นนนนยมันเป็นตัวศีลจิตมีศีลเป็ความเป็นปกติจิตมีศีลเป็นภูรลจาริเบ่ศีลดีศีลบริสุทธิ์จิตมันจะก้าวหน้าไปทางไหน ก็มีเศษเป็นผู้กำกัดเศตสงบลงไปเป็นสมาธิก็เกิดสัมมาสมาธิเศษโดยความคิดอันติดปัญญาก็เกิดสัมาทิิฏฐิ้วเมื่อตัวปกติไม่มันเดงในตลอดเวลาเิษมก็ต้องมองหาทางที่จะไปเืิดทางดําเนินไปสู่ความหมดกิเลสจากความกตุกเมื่อเต็มดีก็กระชับประคองจิตให้ดําเนินไปดีติด แบบเจเดินไปเดิมนมาสตุคุระโตสีเรน้นสุขจริงยันสีทางเดินของจิบให้มันไปถูกทางเป็นอีกสีเรน้าโพก็สัมประทางสีมันก็เป็นทัพอา ย, ยากัดเจ็บสีระทานังสะทาทะนังวิริยะทะนังสีเป็นทัพสทาก็เป็นทัพ ความภาพความเปลียนก็เป็นทรัพย์สัมปัชชัญญะปัญญาก็เป็นทัพย์นี่มันคร้อมเยเกิดโผลทรัพย์เพราะมีศีลดีคนนี่ภาวนาแล้วเสียสติสะดังเป็นบาปเป็นบาไปเพาะศีลไม่บริสุทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บาปทั้งหลายนี่ศีลไม่รมบริสุทธิ์ภาวนาเป็นบาทุกคนเพราะศีลนี่มันเป็นเครื่องประกันความปลอดภัย ในสังคมมีเส้นห้ามีเส้นเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยพระก็ ม, มีเส้นห้าเส้นสองลายี่สิบเจ็ดส้นเจ็ส้นแปก็มาก็อเส้นตัวเดียวกันนั่นแหละถ้าใครทําสีนให้บริรสุทธิ์ศีลก็เป็นเครื่องประกันความปลอดภัยคนดู้สีลมันเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาทําไมตัวปกติในใจนี่มันไม่มี แต่คนเสดีพระเสียดีมันจะที่อยู่แต่หัวใจของตัวเองมันจะดูแต่หัวใจตลอดเวลาใจเรามันดําหรือมันขาวถ้ามันขาวก็หาทางสนับสนุนตรงต้นมันขาวสะอาดจริงขึ้นามันดําก็หาสบู่มาก็กสบูก่กเศษก็คืออารมณ์ทำเศษให้มีสิ่งโลทำสติให้มีสิ่ ง, ง, งละเล็กๆแขงจ้องมองดูกันไปสิ การทำจริงคนมีศีลบริสุทธิ์เป็นคนจริงไนมาเป็นคนจริงก็มีสัจจะก็มีสัจจะก็มีธนมะมีธนมะก็มีขันติมีขันติก็มีตาขะคือการเสียสละกิเลสและอารมณ์ ราชนไปเศวตราชญาติโยมทั้งหลายเอ๋ยบริการเป็นพ่อสร้างโบสถ์พิหารศาลาการประเรียนได้บ <Initi atives> <grandpa. S 1> ุญหลายแหละไปเศวให้เขาเอากีเรศมาครอบหัวตัวเองเดินในกีเดศลงพ่อมันอยู่สิสลาบังดีฟี่ษะฝเดินมาสิสลาหนีสลาลบๆกลกอกิดอกีเดสท่านทีอยู่ในกติแห่งติไม่เป็นเดีอเรียบร้อยแล้วกดกีเรทันที เออละไม่เข้าใจทำได้เทศสอนกคนให้สลาเงินมาสร้างวัดสร้างแล้วก็ต้องบริหารรักษาโลงมดมันสุ่นไม่บริหารรักษาเอาเผกเผยสอนที่อยู่ที่อาศัยของตนเองไม่เอาใจใส่ไม่รู้จักรักษาบริหารสอนซึ่งให้ผูกาังลงไปโดยไม่จําเป็นเป็นอาบัต นอกจากี่เดตจะมาพ่นมาโทรโทนทับตัวเองแล้วยังเป็นโทษเราจะนั่นใจยังไม่เก่เงวินัยจะไปใช้ของใหมันดีนักเอาไม้ไปตอกเตียงแล้ก็นอนปากกดนอนอยู่นนนนในป่านแต่อย่าจะทำสะอาดเอาผ้าอาดก้านปัดไปท้องกั้นปีนก็ะสะอาดสบายดีนี่จะามาโง่มานานแนละ้ว